ดูการพ่สูนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อนเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวของเคี้ยวก็คือพวกขนมทั้งหลายแหลนะและของที่ควรบริโภคก็คือพวกข้าวปลาอาหารของที่ควรลิ้มของที่ควรลิ้มก็คือพวกน้ําพึ่งพวกน้ําพึ่งพวกน้ำอ้อยพวกเนี้เป็นของควรลิ้มและก็ของที่ควรดื่มก็พวกน้นําปาณะทั้งหลายน้ําดื่ม อันประณีตและมีรสอร่อยตถาคตนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสังสมพอกภูลภัยบุ์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะ น, นี้คือมีเนื้ออุม้มก็คือมีเนื้อเนี่ยเต็มในที่เจสถานคือที่หลังผหัตทั้งสองก็มีมังสะอูม้ม ที่หลังพระบาทคือหลังเ ท, า ท, งงงทงา้าทั้งสองก็มีมังสะอุ่์ที่พระอังศาคือบาททั้งสองก็มีมังสะอุ่มที่ลำพระศอคือที่คอก็มีมังสะอุม่มพระมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยพระักษณะนั้นหากทรงครอบครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินนะเพราะมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อเป็นพระราชาก็จะได้รับผลอันนี้คือย่อมได้ของที่ควรเคี้ยว เป็นพระราชาก็คือของเคี้ยวของบริโภคของเสวยเนี่ยเยอะเลยนะนะของที่ควรลิ้มน้ําที่ควรดื่มอันประนิดมีรสอร่อยถ้าหากว่าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือทรงได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มน้ําที่ควรดื่มอันประนิดมีรสอร่อยถ้าออกบวชในพระพุทธเจ้ามีของฉันเยอะแต่ว่าจะฉันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ว่าเฉพาะของฉันเนี่ยคนเนี่ยเอาไปถวายบอกเป็นโกดังเลยเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มและน้ําที่ควรดื่มมีรสอันสูงสุดและเลิศเพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแล้วนั้นพระมหาบุรุษนั้น จึงบันเทิงยิ่งนานในสวนนันทวันนันทาแปล ว, ว่าเพลิดเพลินวินดีหรือว่าน่ารื่นรมอะไรเงี้ยนะวันะก็คือป่าก็ไปอยู่ในสวนที่น่าเพลิดเพลินน่ารื่นรมมาในโลกนี้ย่อมได้มังสาอุม่มในเจ็ดแห่งที่ฝาบพระหัสและพระบาทอ่อนนุ่มบัณฑิตผู้ฉลาดในพยัญชนะและนิมิตนะ ได้กล่าวเพื่อความเป็นผู้ได้ของเคี้ยวและของบริโภคอันมีรถอันนะ่ะเรื่องนิ้วมือเนี่ยดูปั๊บเนี่ยสามารถที่จะบอกนิมิตได้ว่าคนนั้นเนี่ยมีของกินเยอะหรือไม่เยอะนะะเรียนตำราเขาบอกว่าตำราดูมือเนี่ยก็พอรู้นะว่าันะคนที่เขาศึกษาด้านนี้มาดูแค่มือเฉยเฉยเนี่ยรู้เลยว่าไอคนนี้หาพอกินหรือว่าไม่พอกินอันน่ะของอัตมาเนี่ยไปให้เขาดูบอกโอ้มืออย่างนี้ ทำไม่พอกินแล้วเพราะงั้นเพระพระพุทธเจ้าไม่ให้สะสมอยงนั้น<笑><笑>นั่นะเพราะันเขาเขาดูออกนะจริงๆอ่ะพวกนิ้วมือพวกอะไรเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่านิมิตเป็นยังไงว่าทําพอกินหรือว่าไม่พอกินลักษณะนั้นใช่ว่าจะส่องความแม้แก่พระมหาบุรุษผู้เป็นเครือข่ายเท่านั้นนั่นแะนิ้วมืออย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นคารวาส ถึงพระมหาบุรุษออกทรงผนวดก็ย่อมจะได้ของเคี้ยวและของควรบริโภคนั้นเหมือนกันนะก็คือถ้าพระองค์จะฉันปุ๊บเนะี่ยสมมติอาหารเนี่ยตังวางในบาตรเต็มเรียบร้อยปุ๊บเทวดาเนี่ยจะหยดโอทโอ อ, โอชาทิพป์ลงไปแทรกหมดเลยแล้วพระองค์ก็จะฉันพระองค์ก็จะได้ของที่ควรบริโภคนั้นเหมือนกันพระองค์ได้ของควรเคี้ยวและควรบริโภคมีรสอันสูงสุดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวแล้วว่า พระองค์เป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกพันของเครือข่าทั้งปวงเสียคือตอนหลังออกบวชก็ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันการให้ทานนี้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเนาะทานนี้เป็นบารมีไหมเป็นบารมีข้อที่หนึ่งคือทานบารมีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ถึงฝั่งอย่าเพิ่งทิ้งเรือซะก่อนนะ <c oughs> ก็บอกโอ้ฉันจะนิพพานแล้วทานก็เลยไม่ให้เลยไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งคนที่เห็น โทษในวัตตะมากเท่าไร น, นะเครื่องอุ่นใจนอกจากทานเป็นต้นไปแล้วจะมีอย่างอื่นเป็นเครื่องอุ่นใจได้ไหมเพรา ะ, ะนั้นการให้ทานเป็นต้นจึงเป็นเครื่องอุ่นใจไว้ก่อนใช่หมถึงจะไม่ได้รับผลคือมรรคผลนิพานเพราะว่าอินทรีห้ายังไม่แก่กล้าบริบูรณ์พอที่จะบรรลุมรรคผลได้ก็ยังมีทานมีอะไรเป็นเครื่องเป็นเครื่องเกาะนั่นแหละเป็นเครื่องเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัย ในพระสูตรทั่วไปพระผู้มีพระภาคเวลาจะทรงแสดงธรรมพระองค์ก็จะแสดงในเรื่องของทานเนี่ยเยอะนะพระสูตรที่แสดงเรื่องทานเรียกว่าอนุปุพิกถาพระองค์เนี่ยแสดงส่วนใหญ่เลยเป็นอนุปุพิกถาถ้าแสดงกับประชาชนทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นภิกษุนะเรื่องขันธธาตุอายตนะแต่ถ้าเป็นคาราวัตก็เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่คาราวัตยุคนี้ฟังแต่เรื่องปรมัตย์อย่างเดียวเลยนะ ฟังเรื่องฐานมากไม่สะดกล้ฟังเรื่องปรมาทิตใหม่อนั่นแหละทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งขอฟังมาก่อนนะได้บุญเยอะแล้วฟังนได้ฟังในขณะที่ได้ฟังได้คิดตามบ้างก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงๆได้เป็นของที่ประเสริฐมากเพราะว่าเรื่องการให้เป็นต้นเน้นะมันก็เป็นบ่งบอกนิมิตใช่ไหมว่าร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นกรร ม, มชรื้อรคนะ นิมิตอันนี้เนี่ยส่องถึงกรรมในอดีตของเขาได้เลยว่าคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรมาพฤติกรรมที่เขาบำเพ็ญอยู่ในชีวิตประจำวันส่องถึงชีวิตของเขาในอนาคตสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันส่องถึงอดีตกรรมคำว่าอดีตกรรมนี้ไม่ได้บ่งถึงอดีตชาติอย่างเดียวนะใช่กรรมมีผลกรรมที่ให้ผลนี่มีสา ม, สา ม, สามอย่างใช่ไหมหนทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาตินี้สอง อุปชาเวทนยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าแสดงว่าชาติที่แล้วอ่ะถ้าชาตินี้ของชาติที่แล้ว่ะถ้าหากว่าอัปราปเรยะเวทนยกรรมก็คือเมื่อถอยหลังไปสามชาติที่แล้วอ่ะพวกนี้ก็เป็นอ่าเรื่องของกรรมอันถ้าเรามองปุ๊บเราจะมองชีวิตของแต่ละขณะแต่ละขณะออกแต่ถ้ารู้เรื่องกรรมยังนี้มากโอ้ฉันทํากรรมไปแล้วฉันคงได้ดีแน่เลยนอนเลยตื่นเช้ามาโอ้ถ้ามีกบุญมีอ่ะก็จะมีคนเอาอาหารมาให้กินละเมื่ง อย่างนี้ถ้ า, าถ้าคิดอย่างนี้ถามว่าถามว่าเข้าใจเรื่องกรรมถูกไหมถูกไม่หมดถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดนะวันแรกๆเขาอาจจะมาให้กินก็ได้เขนึกว่าป่วยวันต่อต่อไปอ น, นี้ขี้เกียจนี่วะอดเลยกันนี้นั่นแหละเพราะาเรื่องของกรรมนั้นศึกษาให้ดีเพราะว่ากรรมจะให้ผลต้องอาศัยหนึ่งกรรมจะให้ผลได้นะหนึ่งอาศัยคติสองอาศัยอุปธิ นะสาอาศัยกาละ 4. อาศัยประโยคะปัจจัย4อย่างนะกรรมในอดีตจึงจะให้ผลได้ถ้าไม่ประกอบด้วยกาละคติอุปธิประโยคะไม่ใช่ว่าอ๊้ยนั่งบนบานสารกล่าวแล้วกรรมจะให้ผลนะไม่ใช่เพราะจะต้องศึกษาเรื่อง4อย่างนี้ให้ดีก็แล้วกันทีนี้ต่อไปดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อน กำเนิดก่อนเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังหาวัตถุสีประการนะก็คื อ, คอวัตถุเป็นที่สงเคราะห์สีประการนั้นก็คือด้วยการให้และก็คือการให้ปันการแบ่งข้าวของให้และก็ต่อไปก็ด้วยการกล่าวคำอันเป็นที่รักปิยวาจาการกล่าววาจาอันเป็นที่รักด้วยการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์อันนี้เาเรียกว่า อัตจารยาการประพฤติให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์และก็สความเป็นผู้มีตนเสม อ, อนะั้นคนที่เกี่ยวข้องในลักษณะเป็นหัวหน้าคนนั้น่ะจะต้องมีสังหาวัตุสี่ประการนี้อย่างเช่นพระราชาคำว่าพระราชาก็คือผู้ยังประชาชนให้ยินดีในสังหาวัตุสี่นี้หรือว่าถ้าหากว่าทั่วไปผู้ที่เป็นหัวหน้าคนนั้นถ้าหากว่าขาดสังขาวัตุสประการนี้แล้ว เขาไม่สามารถที่จะเป็นหัวหน้าคนได้อย่างอุบาสกในสมัยก่อนนี้มีลูกศิษย์อยู่500หรือว่ามีบริวารติดตามไปไหนก็ด้วยมีอยู่500ท่านในบริวาร500นั้นน่ะพระผู้มีพระภาคก็ถามว่าทำไมจึงมีบริวารเยอะอย่างนี้เพราะบาสกก็เล่า ว, ว่าในบริวารของเขาบุคคลที่ควรแก่การให้บาสกนี่ก็จะให้ บุคคลบางคนแค่เขาต้องการเฉพาะถ้อยคําอันเป็นที่รักนะหรือว่าเรียกว่าปียะวาจาพูดดีด้วยกันก็พูดดีด้วยถ้าหากว่าคนไหนเขาอยากได้รับประโยชน์นะเขาต้องการคําปรึกษาเขาอยากให้เราแนะนําก็แนะนําเข้าไปคนไหนที่ว่ามีชาติเท่ากันมีตระกูลเสมอการก็อันนี้เป็นเพื่อนสนิทไปไหนไปด้วยกันอะไรด้วยกันลักษณะนีนะ้ความที่เขาประพฤติในสังขาวัตุสี่นี่แหละ ทำให้เขามีบริวารมากแต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะขาดการให้ปันขาดปิยะวาจาขาดการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าขาดการประพฤติที่สม่ำเสมอนี่ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะบางทีคนใกล้ชิดนั่นแหละเป็นคนทำลายตถาคตย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทรรมสังสมพ่อพภูนภัยบู์ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นมาแลว้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริลักษณะสองประการนะผู้ที่ประพฤติสังหาวัตถุสีอั น, นิสงส์ของเขาก็คือฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุม่มนฝะ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยอ่อนนุม่มฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายเหมือนตาข่ายนะมีลายเป็นตะแกรงเป็นตาข่าย พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะได้รับผลอย่างไรอีกบ้างนะก็บอกว่าเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะมีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์ดีแล้วบริวารชนที่พระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีนั้นก็คือพรามใช่ไหม พวกกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองก็ต้องมีพราหมณ์เป็นบริวารมีเครือาบดีเศรษฐีเป็นบริวารมีชาวนิคมชนบทโฮราจาย์มหาอมาตย์กองทหารนายประตูอมาตย์บริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นกุมารนะพระราชาก็จะมีคนทั้งหลายเหล่านี้เป็นบริวารก็าเรียกว่าผู้ที่ทําสังขาวัตถุศีลมากเกิดมาชาติหล <complete>. ังก็จะมีบริวารเยอะเหมือนนเมื่อมหาบุรุษนั้นออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้อันนี้ส่งอะไรพิเศษเพิ่มเติมอีกบอกว่าเมื่อพระมหาบุรุษทรงผนวดเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลคือมีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีนะบริวารชนที่พระองค์สงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้นเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทั้งพระพุทธเจ้านี่ทรงสงเคราะห์เยอะนะ สงเคราะห์ทั้งพิสุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคและคนทั้งเยอะทุกวันนี้ก็ฉันของพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันนั่นแหละคำสอนเหล่านี้ก็ของพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระองค์สงเคราะห์เราไว้นะเราไมส่สงเคราะห์ไหวป น, นี้แย่แล้วอกุศลลจิตเกิดแล้วปีนน้เพราะนั้นพระองค์นี้สงเคราะห์พุทธบริษัทด้วยสงเคราะห์ทั้งอมนุษย์ด้วยพระองค์สงเคราะห์ด้วยอะไระบาง บางคนควรช่วยสงเคราะห์ด้วยข่าวของพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยของใช้อย่างเช่นภิกษุเนี่ยพระองค์ก็ควรสงเคราะห์ด้วยปัจจัย4ใช่ไหมพระองค์ก็ทรงอนุญาตปัจจัย4เอาไว้ให้พระภิกษุาบางคนนี้พระองค์ควรสงเคราะห์ด้วยปิยะวาจานะด้วยการกล่าวถ้อยคําที่ดีคําที่ดีก็คือคําที่มีประโยชน์ก็คือพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายอั้นพระองค์ก็ทรงสงเคราะห์ ผูทวาริษั์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นค า, ารวาหรืออมนุษย์ทั้งหลายแล้วพระโบราณอาจารย์ได้ประพันธ์ว่าพระมหาบุรุษทรงรรมแล้วทรงประพฤติแล้วซึ่งการให้ซึ่งความเป็นผู้ประพฤติให้เป็นประโยชน์ซึ่งความเป็นผู้กล่าวถ้อยคําเป็นที่รักซึ่งความเป็นผู้มีฉันทะเสมอกันให้เป็นความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากย่อมไปสู่สวรรค์ด้วยคุณอันตนมิได้ดูหมิน่น ะะว่ากุศลธรรมเหล่านี้ขณะประพฤติก็ไม่ได้ดูหมิ่นกุศลงัไม่ดูถูกดูหมิน่นอ ก, กุศลที่ประพฤติแต่ตรงกันข้ามพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่เคารพในกุศลที่ท่านบําเพ็ญมากนะนะเคารพในกุศลยาเกรงในกุศลจุติจากสวรรค์แล้วเวียนมาโลกนี้ก็เป็นพระกุมารยังหนุ่มแน่น ง, งดงามย่อมได้ความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม ความเป็นผู้มีฝ่าพระหัต์และฝ่าพระบาทมีลายเป็นตาข่ายงามอย่างยิ่งและมีส่วนสวยหน้าชมด้วยพระองค์มาสู่แผ่นดินนี้มีบริวารชนพระองค์ตรวจตราและสงเคราะห์ดีตรัส ด, ด้วยคำเป็นที่น่ารักสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ทรงประพฤติคุณงามความดีที่พระองค์ชอบเป็นอย่างยิ่ง ถ้าพระองค์ทรงละการบริโภคการทั้งปวงเป็นพระชินะตรัสธรรมกถาชนะแปลว่าชนะพระพุทธเจ้าชนะอะไรนะเรียกว่าภาพพิชิตมานพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะมานมานกี่อย่างมานมีอยู่5อย่างพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ชนะมารหหนึ่งชนะกิเลสมานก่อนพระองค์นี้ไม่มีกิเลสมารโลภโทสะโมหะ ตัวใดจะไปรบกวนสภาพจิตของพระองค์ให้ให้ราคายเคืองบา ง, งั้นจิตไม่เศร้าหมองอะ่ะก็บอกว่าจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเหมือนแท่งทองชมพูนุชที่ผ่านการหล่อหลอมไล่สนิมออกเป็นอย่างดีแล้วไม่มีสนิมที่จะไปทําให้ทองนั้นเศร้าหมองได้จิตใจของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันเรียกว่าปัดเป่าบาปอากุศลนั้นออกจากสภาพจิตทั้งหมดด้วยอรหัตตมัชนะเรียกว่าอุปกรณ์ในการ ชำระกิเลสก็คืออรหัตตมรรคแหละพระองค์ละได้หมดทารมทั้งวาสนาพระองค์ได้ละกิเลสมารเรียบร้อยและชนะมารข้อที่หนึ่งสองพระองค์ทรงชนะเทวปุตตมาร น, นะเทวดาที่เป็นมารที่จะมาเบียดเบียน ย, ย่ำยีพระองค์ก็ไม่สา ม, มารถที่จะทำลายพระองค์ได้สามอะไรอีกขันธมาร น, นะขันธมารที่จะรบกวนสภาพจิตของพระองค์ไม่ให ไม่เจริญกุศลเนี่ยเป็นไปไม่ได้ร่างกายของพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยจะป่วยอย่างไงก็ตามพระองค์ก็เข้าพระสมาบัติได้ขันนี้ไม่สามารถที่จะรบ ก, กวนพระองค์ได้อภิสังขารมานนะบาปทั้งหลายแหลหรืออกุศลทั้งหลายแหลหรือแม้กระทั่งเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยที่จะกอพบใหม่พระองค์ก็ละเด็ดขาดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นละการเกิดแล้วเมื่อละการเกิดนี่ชื่อว่าละอะไรด้วย ละความตายด้วยเพราะฉะนั้นละมัจจุมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมาห้าได้นะห้าอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งกิเลสมานสองเทวปุตตมานสามขันธมานสี่อภิสังขารมานสุดท้ายมัจจุมาและไอ้มัจจุนี่ครอบงำเราหรือเปล่าแมดนะ ขาวสะเทือนใจเนี่ยเยอะนะจุตติจิตนี่ยมันใกล้ๆหูนั่นแหละนานๆเข้ามันกใกล้ๆจมูกด้วยนะมันฟิดๆได้ชักได้กลิ่นละเคไปงานศพหรือเปล่านั่นแหละได้กลิ่นด้วยอ่ะแล้วพระองค์เป็นพระชินะอย่างนี้พระองค์ก็ยังตรัสทำมรรคาทำมรรคาที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงกล่าวทรงแสดงแก่ประชุมชนชนทั้งหลายก็จะสนองคําของพระองค์เลื่อมใส ย, ยิ่งนักนะ พระองค์นี้ทรงแสดงธรรมอย่างนี้แล้วประชาชนก็ทรงเลื่อมใสในในคําสอนของพระองค์นะครั้นฟังธรรมแล้วย่อมพากาันรปรับพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเออรพระองค์เนี่ยมีความพิเศษว่าคําสอนของพระองค์เมื่อพระองค์กล่าวพระองค์แสดงพระองค์ตรัสไว้แล้วเนี่ยประชาชนหรือประชุมชนทั่วไปก็ปรับพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านอย่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม อย่างบางประเทศนะบางช่วงบางยุคนั้นน่ะไม่มีปุตุชนแม้แต่คนเดียวเลย น, นะบางบางแห่งอย่างที่ที่ศรีลังกาเนี่ยบางยุคนี่ยพระเป็นพระอริยเจ้าหมดทั้งเกาะเลยไม่มีปุตุชนแม้แต่รูปเดียวในในจำนวนพิสูจเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคาว่าปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญา นี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมนะการเจริญกุศลธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมเช่นการเจริญสติปัฏฐานสมควรแก่มรรคนะหรือว่าการพิจารณาทุกสมควรแก่การรู้แจ้งอริยสัจอย่างเงี้ยขอเข้าใจน ะ, ะถ้าเป็นการพิจารณาเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคจนได้ตรัสรู้จริงๆ เขาเรียกว่าพิจารณาจนสมควรใคร่ครวญพิจารณาเพ่งหรือปริญญาสามในขันธาตุอายตนะจนได้รู้แจ้งอรยิยสัจอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่แก่ธรรมนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในธรรมะประเภทโสตาปฏิยังฆธรรมเขาเรียกว่าเป็นธรรมะอยู่ในองค์ที่ทําให้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีอยู่สี่อย่างนะ ธรรมมาข้ อ, อนี้เนี่ยพูดบ่อยจะได้เป็นคาถากันนรกได้ไงเมื่อปฏิบัตินะเอาไปท่องเฉ ย, เยนี่ไม่แน่นะแต่ไม่แน่นะเป็นธรรมานุสติอาจจะ ไ, ไปดีก็ได้ถ้าท่องด้วยตัททานนะอาจจะเป็นธรรมานุสติใช่หมหนึ่งโสตตาปฏิยังฆ่าธรรมคือหนึ่งหนึ่งนะสับุริสูสัสงเสวะก็คือการคบสับุรุษอันนี้เราคบไหมหนึ่งนะคนถึงไตรสรารณคมนี่ก็เริ่มถือว่าครบสัตบุรุษแล้วนะเพราะเราเป็นผู้ที่มี พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะใช่ไหมและต่อไปอีกสัตธรรมสวนะก็ศึกษาพระธรรมคำสอนหรือว่าฟังพระธรรมคำสอนอันนี้ก็เป็นองค์ที่สองสามโยนิโสมนัสิการะแปลว่าอะไรคะโยนิโสมแปลว่าอะไรอ่าก็บอกว่าฉลาดคิดอ่าคิดยังไงฉลาดคิดก็คิดตามคำสอนนั่นแหละ พระพุทธเจ้าท่านว่าขันห้าเราก็คิดเออนี่ขันห้านะก็พิจารณาตามท่านเออนี่รูปประขันใช่ไหมคิดตามท่านอ่ะพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่เที่ยงเราก็คิดตามเออมันไม่เที่ยงคิดตามท่านอ่ะนั่นแหละก็เรียกว่าโยนิโสมนัสิการะเพราะถามว่าคําสอนพระพุทธเจ้าผิดพลาดไหมไม่ผิดพลาดถ้าเราคิดตามนี่ถูกไหมโอ้ทำไมคิดตามคิดตามพระองค์ไม่ถูกก็จะทํายังไงถูกไปคิดเองถูกไหมไม่มีทางหรอก นะถ้าเราคิดเองและคิดได้ถูกเลยนะคนนั้นเป็นพระประเจก <c oughs> น, นะถ้าตัดสรู้เองโดยที่ไม่ต้องคิดตามที่ที่ได้ฟังมานะคนนั้นคือพระประเจกกับพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายที่พบในพระคัมภีร์นะผู้ที่ตัดสรู้อริยสัจนั้นนะท่านจะมีธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งในการตรึกนะเพราะฉะนนั้คําคว่าพหูสูตรนี้จึงไม่ได้แปลว่าฟังเยอะแยะมากายนะ แต่ว่าฟังแม่คาถาสี่บาทคือคาถาสี่บาทก็คือหนึ่งคาถาหนึ่งคาถามีสี่บาทก็คือประมาณสองบรรทัดฟังบทนั้นเนี่ยเข้าใจนะแล้วเอามาใข้ครวนปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นหูสูตรแล้วเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเหมือนพระพาหยะเนี่ยใช่ไหมพระพาหยะท่านฟังไม่มาก แต่ท่านท่านเห็นในในคำสอนเหล่านั้นมากอ่าถ้ามีคนกล่าวว่าปฏิบัติธรรมนี่ทำยังไงก็เห็นสักแต่ว่าเห็นอ่าอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกไหมถูกไหมมันทำไมจึงไม่ถูก อ, อ๋ออ๋ อ, อกลัวเขาจะแต่งหน้าเจยๆนะ เราทายาพูดอย่างนี้แปลว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นถ้าเป็นปฏิบัติถูกถ้าเขาทําได้แล้วได้ผลเขาจะแสงหน้าเพราะเรามาเรียนตั้งเยอะเราไม่ได้เลย อ, ะอ่ะไม่ใช่อยานะ่างนั้นถามว่าไอ้ที่ถูกเป็นยังไงเห็นสักแต่ว่าเห็นนะถ้าเราจะจ ะ, จะคิดดูนะผู้ที่ปฏิบัติทำนะเห็นสักดิแต่ว่าเห็นสีเท่านั้นถามว่าการพ้นทุกเนี่ยพ้นด้วยมรคมีองแปรใช่ไหมใช่เห็นสักแต่ว่าเห็นอยู่ในมรคข้อไหนนะอยู่ข้อไหน เอาเห็นสักแต่ว่าเห็นหนึ่งเอาสัมมาทิฏฐิเลยนะเป็นกรรมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิไหมเอาต้องเอามาวิเคราะห์นะไม่ใช่เห็นตักได้ว่าเห็นโอ้สีเท่านั้นแหละเสร็จแล้วโอไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็แค่นั้นโอ้ถ้าแค่นั้นมันก็มันก็ง่ายไปอย่างที่คุณวิลาวัน น, นั่นแหละมันง่ายไปเนาะแม่มันง่ายไปงั้นก็บรรลุ ก, กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมก็ด้วยมัสมีองแปดนั่นแหละเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นปุ๊บเนี่ย เห็นเธอพึงทาศึกษาสักว่าเห็นใช้คำว่าศึกษาก่อนนะถ้าเป็นคำพูดที่สมบูรณ์เนี่ยเห็นเธอพึงทาศึกษาสักแต่ว่าเห็นศึกษาเป็นชื่อของสิกขาสิกขาสามเห็นศึกษาด้วยสิกขาสามเห็นยังไงเป็นสีและสิกข า, าใช่ไหมเห็นยังไงเป็นสีเอาเไล่มาก่อนวนะ่าสีมีกี่อย่างสี่อ่มี ความบริสุทธิ์ของศีลมีสีอย่างหนึ่งปฏิโมกสังวรสองอินทรียสังวรสามปัจจยสานิศิตศีนสีอาชีวปาริสุธิศีนเออเมื่อเห็นอย่างไงแล้วอินศีลสีอย่างบริสุทธิ์เนี่ในชั้นต้นเลยนะศีลสิกศีขาต้องเกิดก่อนนะหรือไม่คนนั้นต้องศีลสิกขาบริบูรณ์มาแล้วพันเห็นเห็นอย่างไรศีลสิกศีขาจึงจะบริบูรณ์สมมุติมองเห็นแป๊บเนี่ยคิดค่ามีไหมอย่างเงี้ยใช่ไหม ประเภทประเภทอะไรปัศีประเภ ท, เทข้อหนึ่งนะสีลสังวรจะเกิดขึ้นใช่ไหมต่อไปสติสังวรเห็นยังไงใจไม่เป็นบาปอ่ะเห็นอย่างไรใจไม่เป็นอภิชาและโทมานตะ์ไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะนั่นแหละก็คือเห็นแล้วกุศลจิตอย่างใดย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ทีนี้ต่อไปเป็นปัจจะยสานิสีตสีเห็นยังไงแล้ว เสนอข้อปัจจัยสี่จึงจะได้ก็แสดงว่าเข้าไปเห็นนี่เห็นอะไรศาธกะสัมปชัญญะจะเข้ามาเห็นในสิ่งนั้นและเกิดประโยชน์อะไรนะเราต้องบีการพิจารณาตัวนี้เป็นอย่างดีแล้วต่อไปนะอาชีวะเห็นเหล่านั้นเกี่ยวกับอาชีพไหมนั่นแหละถ้ารักษาได้บริบูรณ์ทั้ง4ี่อย่างนี้เป็นอาธิสีละสิกขาเห็นแล้วเป็นอาธิจิตตสิกขาได้อย่างไรนะในขณะเห็นถ้าเห็นสีใช่ไหสีคือ สีคือรูปรูปมีสมุดฐานเท่าไหร่ถ้ารูปมีสมุดฐานสีแสดงว่าในสีนั้นน่ะมีรูปกราบเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่ใช่มสีนี้สามารถเกิดร่วมด้วยกับรูปทุกทุกกลุ่มทุกกราบใช่ไหในนั้นมีสีด้วยสีบางอย่างมีกรมเป็นปัจจัยสีบางอย่างมีจิตทันการพิจารณาสีเหล่านี้นะ่ะสีบางอย่างเป็นผมเป็นขนเป็นฟันเป็นเล็บเป็นหนังเป็นเนื้อ พิจารณาโดยท่าสี่เป็นต้นก็เป็นอธิจิตใช่เป็นอธิจิตหรือเป็นสมาธิคำว่าสมาธินั้นส่วนใหญ่จะนึกถึงอิริยาบถคำว่าสมาธินี้เป็นชื่อยกตัวอย่างคือจจตุธาตุ ว, วัฏฐานการพิจารณาท่าสี่พิจารณาท่าสี่ทั้งกายภายในและภายนอกพิจารณาปฐวีธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุเตโชธาตุ ธาตุสี่ปฐวีธาตุมีเท่าไรใช่ไ้ยมีอะไรบ้างพิจารณาพวกนี้มากๆเจริญ พ, พ่อภูณอันนี้เป็นอธิจิตตสิกขาเมื่อพิจารณาธาตุสี่นี้มากๆขึ้นจะเห็นว่าธาตุสี่เนี่ยแม้แต่ผมมีสมุดฐานสี่เริ่มไปหาเรื่องกรรมพวกนี้เริ่มเป็นเป็นประเภทยาตะปริญญาผมก็ไม่เที่ยงเป็นต้นก็เป็นตีรณะณปริญญาทีนี้ ก็จะละวิปลาสในสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะเป็นปหานะประิญญาท่านปริญญาหรือศิกษาจะบริบูรณ์ได้ด้วยอาการอย่างนี้โอ้มันเสร็จเห็นสัพท์แต่ว่าเห็นกันนั่งกับพิบตาเฉยๆเอาเผื่อจะได้ดีกับเขาบ้งไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นในการเห็นการได้ยินปับ๊บถ้าเป็นเป็นไปกับคําสอนนั้นต้องสงเคราะห์ลงศิกขาสามต้องสงเคราะห์ลงมัชฌิมาปฏิปทาเพราะข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพราะฉสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจในเรื่องของกรรมเช่นสีก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมสภาพจิตที่เกิดขึ้นในขณะเห็นสีก็เป็นตัวกรรมต้องวิเคราะห์เรื่องพวกนี้อย่างละเอียดพอสมควรแค่ว่ า, าสมควรนี่แค่ไหนโอแค่มรรคจิตเกิดก็พอแล้วละ่ะ อรหัตธรมกเกิดก็พอแล้วจบแล้วจบการศึกษาแค่นั้นแหละแต่ไม่ธรรมนานะอบอกเอื้อมมือไปล้วงพราะวระผม ย, ยังพอเป็นไปได้บ้างนะแต่ก็คือสิ่งเหล่านี้นะถ้ามีศรัทธาถ้าประกอบด้วยธรรมะห้าประการคือศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาแม้แต่ปรารถนาเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้ก็สาเร็จประกอบด้วยหนึ่งนะศรัทธา มีศรัทธาในคําสอนนี้ไหมอันดับแรกก่อนใช่ไหมศรัทธาในพระผู้มีพระภาคผู้สอนคําสอนอันนี้ไหมศรัทธาในคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดไหมศรัทธาในบุคคลผู้ปฏิบัติจนพน้นใครเรียกว่าปฏิบัติจนประสบความสําเร็จมีภาษาริบุตรเป็นต้นแล้วไหมอันนี้ใครเรียกว่ามีศรัทธา ก, ก่อนสองมีศีล น, นั่นแหละกายวาจาของเรานี้อนุวัตตามศรัทธานี้ไหมต่อไปสุดตั ฟังเรื่องราวเหล่านี้ดีพอสมควรใช้ได้ไหมสามสละอย่างอื่นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็สุดท้ายเข้าใจในเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าเรียกว่าปัญญาหันศรัทธาศีล ส, สุตะจาระปัญญาธรรมะห้าประการ น, นี้บุคคลถึงตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้ก็ก็สาเร็จนั่นแหละมันก็ ขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่รมนี่ก็ปิ๊งแล้วนะดิเดตแล้ว